<c oughs> มีใครมีใครไปกำหนดไปท่องจำไหมนี่ะมันว่ามาจนคล่องกิดปากแล้วเนี่ยมีใครสนใจไปท่องจำได้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจหกรูปเสียงกลิ่นรสผพตะพัณหกกุบิญญาณหกพัสสะหกเวทนาหก สัญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกรวมเป็นสิบหมวดละหมวดละหละหกละห ก, ะห ก, ะหกเป็นสิบมาไลา่แต่เวลาเรามาดูเวลาทำงานเขาก็ทำงานที่เดียวกันทำงานทีละอย่างทำงานทีละเรื่องได้ผลไม่จำเป็นจะต้องปไปไล่ทั้งหมด อันนี้ไล่คือไล่ที่เกิดตามที่เหตุตามเหตุที่มันมีเหตุปัจจัยที่มันจะมีมันจะเป็นได้แต่เหตุปัจจัยทุกอย่างมันก็เกิดจากจิตตวงเดียวมันก็จะจิดตดวงเดียวเกี่ยวกับตัญหาอย่างเดียวเรื่องเดียวแต่ว่าเหตุปัจจัยมันพันกันไปหมด เหตุปัจจัยมันพันกันไปหมดท่านมาไล่สูตรทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ลอบมาที่ใจของเราเอาตัญหาออกอย่างเดียวอย่างอื่นก็ดับหมดเอาตัญหาออกอย่างเดียวอย่างอื่นก็ดับหมดอย่างอื่นก็เกิดไปหมดเขินไปหมดเวทนาพระักขะว่าเวทนาเวทนาพรักทะว่าเวทนาเราดูให้ศักทะว่าได้ไหมเป็นไหม มันดูได้นะดูสักเทว่าเวทนาสุขก็อสักเทว่าสุขข้เวทนาทุกข์ข้สักเทว่าทุกข์ข้เวทนาอในเมื่อเราทันสักเทว่าเวทนาสุขก็อสักเทว่าสุขเวทนาไม่ยึดเอาไม่ถือเอาทุกข์ข้สักเทว่าทุกข์ข้เวทนาไม่ยึดเอาไม่ถือเอาเบียขาเฉยๆข้สักเทว่ะเบีขาไม่ยึดเอาไม่ถือเอาอ ในเมื่อเราทันนึนเมื่อเราทันเมื่อในเมื่อเราทันเวทนาตัณหามัก็เกิดไม่ได้ตัณหาใหม่เกิดไม่ได้นี่มันขาดช่วงไปแล้วตัณหาใหม่เกิดไม่ได้ขาดช่วงไปแล้วนี่คือเรารู้ที่เกิดของมันรู้รู้ที่เกิดของตัณหาเราก็เริ่มมาเริ่มเรียนรู้หลักธรรมชาติที่ตัณหามันมาใสาเกิดเนี่ย นักธรรมชาติที่เป็นอายตนะของเราที่ตัณหามันอาศัยเกิดเรารู้ที่เกิดของมันเรารู้ที่ดับของมันตัณหามันเกิดแต่ตัณหามันมีมาแล้วมันมีในใจมาแล้วความอยากมันมีที่ใจเราเอาสติจ่อไปที่ใจใจก็สักเทว่ะผู้รู้ใจสักเทว่าผู้รู้ตราบใดที่เราไม่จ่อเข้าไป ความอยากมันก็ดีดมันก็ดิ้นมันแสดงบทบาทออกมาที่ใจความอยากภายในใจความอยากมันก็เกิดจากใจตัณหามันก็เกิดจากใจมาเกิดที่ใจความคึกขนองของใจใจมันไม่เคยถูกดัดถูกฝึกถูกหัดถูกดัดถูกแปลงถูกซักถูกฟอกมันเคยชินชาสันดามมันมีมาอย่างไงมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น มันสงบไม่ได้มันถ้งับไม่ได้มันมีแต่กระพือกําลังให้รุนแรงมากขึ้นแต่ในเมื่อเราร่้มีที่เกิดเป็นที่เกิดรู้ว่าที่ไฟมันเกิดเราก็ไปดึงฟืนออกดึงฟืนรุ่นนั้นออกดึงฟืนรุ่นนี้ออกรู้จักที่ที่มันกําลังจะเกิดพ อ, อไปรู้แล้วมันก็ไม่เกิดเมื่อไฟไม่เกิดเมื่อไฟไม่เกิดไฟไหม่ ไ ฟ, ไฟใหม่มันไม่เกิดไฟใหม่มันไม่เกิดตัณหาใหม่ไม่เกิดเหลือแต่ตัณหาเก่าตัณหาเก่ามันฝังมันจมอยู่ที่ไหนมันฝังจมอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายจบลงมาแล้วก็ที่ใจมันหลงมีมีตามก็หลงรูปมันฝังตัวอยู่ที่นี่ มันฟังตัวอยู่ที่นี่มันไม่เกิดในระบบในระบบของมันแต่หากมันหลงมันหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสซึ่งเป็นซึ่งเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากตันหานั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลผลของตันหาเป็นผลผลของตันหาเป็นผลรายได้ของตันหาเป็นผลงานของตันหา ปัญหาเป็นรกรากเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำทำเพื่อมันในเมื่อเรารู้ว่ามันทำเพื่อมันเราทำเพื่อมันแต่เราเอาเครื่องมือสติทำปัญญาทำมาใช้มันจะเกิดเพื่อมันมันเกิดไม่ได้มันขาดช่วงแน่ของใหม่มันเกิดไม่ได้มันขาดช่ว ง, ง, ห เ, วงเหลือแต่ของเก่าขุดคุยลงไปขุดคุยไปตามอุปกรณ์ชิ้นส่วน ที่มันพาเราลงไปที่ตาที่หูย้อนไปที่ใจที่จมูกที่ล mm. ิ้นย้อนไปที่ใจย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปอะไรก็ย้อนมาที่ใจย้อนไปอะไรก็ย้อนมาที่ใจย้อนไปอะไรก็ย้อนมาที่ใจเพราะตัญหามันจะเกิดมันจะเกิดที่ใจพอเวลาเราย้อนไปย้อนไปเห็นย้อนไปเห็นมันก็แสดงตัวออกไม่ได้สติธรรมปัญญาธรรม มีกำลังกล้าแข็งขึ้นมันก็กดสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ต่อสู้ต่อกอดกันอยู่ในนี้จนกว่าจะได้จะได้ใช้ชนะทาลายความหลงทำลายโมหะของตัวเองหลงอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในฉากเดียวกันน่ะหลงพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันหลงอยู่ตรงนั้นแหละเวลามันหายหลงมันก็อ๋ออ๋ออยู่ตรงนั้นแหละ มันอยู่ก็มันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ฉากเดียวกันมันอยู่หน้าเดียวกันเราขัดยังไม่ถึงที่เราขัดไม่ยังไม่ถึงที่เราก็เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจมันละเพราะมันละเอียดมันละเอียดลึกเข้าไปปัญญาเราละเอียดไม่ทันมันเราก็ไม่ทันมันรู้ไม่ทันมันเข้าใจไม่ทันมันลึกไม่ทันมันถ้าทันมันเขาเรียกว่ารู้ทันรู้ทันรู้เท่า รู้เท่าตัวของมันน่ะรู้ทันก็เป็นเหตุให้รู้เท่ารู้เท่าก็เป็นเหตุให้รู้ทันรู้ทันมันก็เปิดเผยมันเปิดเผยรู้ทันอวิชชามันก็มันก็เปิดเผยเป็นวิชาขึ้นมารู้ทันความมืดเปิดดึงสิ่งที่พายมืดออกมันก็สว่างโร่ขึ้นมา ไปดึงสีที่พ้างมืดออกมกาคัสสว่างโรขึ้นมาสว่างขึ้นมาตรงนั้นเองพวะเราก็าพยายามาทำมาขัดมาสีตรงนี้แหละให้คุณธรรมหลานี่มันโผล่ขึ้นในหัวใจของเราอวันนี้อ เ, เอา แ, อแอค่นี้แหละมืดแห้งมืดแห้งเอาแค่นี้แหละเอาเอาขอที่ใส่ซะ